ปัญหาการนับสังคยานาน่าสังเกตว่าแม้ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบเทราวารด้วยกันโดยเฉพาะไทยพม่าและลังกายังนับครั้งการสังคยานาไม่ตรงกันเนื่องจากการสังคยานาบางครั้งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศอื่นสรุปการนับสังคยานาของประเทศต่างๆดั ง, งนี้หนึ่ง ประเทศสีลังกายอมรับการสังคยนาสามครั้งที่ประเทศอินเดียและนับจากสังคายนาที่ประเทศของตนต่อมาอีกสามครั้งครั้งที่6หรือครั้งสุดท้ายของลังกากระทาเมื่อพุทธศักราช2406ที่รัตนปุระประเทศสีลังกาพระหิกขะขาทุเวสิริสุมังคละเป็นประธานกระทาอยู่หเดือนจึงสาเร็จ การสังขยนาครั้งนี้เป็นที่รับรู้กันเฉพาะในสีลังกาเท่านั้น 2. ประเทศพม่านับสังขยาที่ทำที่อินเดียสามครั้งเรานับครั้งที่สองที่ทำที่สีลังกาเป็นครั้งที่สี่และมีเพิ่มครั้งที่ห้าและหที่ประเทศพม่าคือสังขยาครั้งที่ห้าทำในรัชสมัยพระเจ้ามินดง พระชาคราพิวังสะพระเนรินทาพิทชะและพระสุมังคละสามีผลัดกันเป็นประธานท่ามกลางที่ประชุมพระและคารือหัดผู้แตกฉาในพระไตรปิฎก 2,400 ท่านกระทาอยู่ห้าเดือนจึงสำเร็จสังคยาครั้งนี้มีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2,414 สังคยาครั้งที่6 เนื่องในโอกาสฉลอง25พุทธศตรวรรษของพมา่ารัฐบาลพมา่าได้เชิญผู้นำชาวพุทธต่างประเทศโดยเฉพาะสายเทราวาทเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์ของการสังคยนาครั้งนี้เพื่อพิมพ์พระไตรปิฎกพร้อมอัจฉริยาและคำแปลเป็นภาษาพมา่าได้ทำอยู่สองปีคือระหว่าง17พฤษภาคม24 9 7ถึง24พฤษภาคม2499 เสร็จแล้วได้แจกจ่ายพระไตรปิฎกฉบับอักษพรพม่าไปยังประเทศต่างๆด้วย 3. ประเทศไทยยอมรับการสังคยณาที่ทำตามกันมาโดยลำดับถือว่าเป็นประวัติที่ควรรู้เกี่ยวกับความเป็นมาแห่งพระธรร ม, มวินยัยในหนังสือสังคีติยวงศ์รจนาเป็นภาษาบาลีโดยสมเด็จพระวันรัตน์วัดพระเจตุพล รจนาเมื่อครั้งยังเป็นพระพิมนธรรมในราชกาลที่หนึ่งได้จัดลําดับสังขยาณไว้9้าครั้งคือสังขยาณครั้งที่หนึ่งสองสามทในประเทศอินเดียดังกล่าวแล้วสังขยาครั้งที่สและหําในประเทศลังกาสังขยาครั้งที่หทําในลังกาเมื่อพุทธศกราช956พระพุทธโคสาจารย์ชาวอินเดีย ได้แปลและเรียบเรียงอัตถกาถาจากภาษาสิงหลนเป็นภาษาบาลีในรัชสมัยพระเจ้ามหานามะการสังคยนาครั้งนี้ไม่ได้ชำระรัตไตรปิฎกหากแต่ชำระอัตถกถาทางลังกาจึงไม่นับเป็นการสังคยนาสังคยนาครั้งที่เจ็ดทำในลังกาเมื่อพุทธศ 1, 7, ักราช1587รพาระกัสสปะเทระเป็นประธาน ได้รจนาและชำระคำพีดีกาต่างๆร่วมกับภิกษุผู้เชี่ยวชาญพุทธธรรมกว่า 1,000 พรูปสังคยนาครั้งที่8ทําในประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2020ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนามีพระธรรมมทิ น, นเทระเป็นประธานร่วมกับพระเทระหลายร้อยรูปที่วัดโพธาราม ทำอยู่หนึ่งปีจึงสำเร็จสังคยนาครั้งที่เก้าในประเทศไทยในรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช 2,331 พระเทระ218รูปราชบัณดิตเข้าเรือหัด32คนร่วมมือกันทาเป็นเวลาหเดือนจึงสำเร็จ